ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็อดใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือรองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไม ให้หยุดใน ห, หยุด ห, หยุดใน ห, หยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะสบายๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะํำนาน แล้วก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกายส่วนใหญ่จะอยู่เราคนทําเป็นแล้วเนี่ยเขาเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระ ทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตาชัดกว่าลืมตาฝึกไ ป, ไปบ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆกับว่าเรองของลูกในตาเนี่ยไม่ได้ มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายมันก็จะชัดจะใสจะสว่างจะเป็นองค์พระนั่นแะมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งกมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้น แต่บางคนทําได้ง่ายได้ง่ายของบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติเขาทําบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันก็ชํานาญกว่าคนที่นานๆ ท, ทําทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทําของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชํานาญ นานๆนาำทีมันก็ไม่ค่อยคลองก็ช้ำนาจใจหยุดนี่ก็เหมือนกันต้องทำไม่ปล่อยแต่ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยแต่เราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใส ก็จะเตรียมตัวเอาไว้ถต่าหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเครื่องราวต่างๆม่อก็ต้องอาศัยทำบ่ยบอยๆหยุดใจบ่ยบอยๆทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ก็ต้องหยุดใจกกันห้มาก จริงๆแล้วแล้วก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามักให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นดูน่าจะยั่วยวนใจล้วมากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วล้วก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเรียนรู้ก็มากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึก หยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสๆหยุดในยหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบยแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกขยําำนานทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อย หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสใสให้ใจมันสว่างสวัยถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตื้อมันแคบแสดงกับเราได้ตั้งใจมากเกินไปแล้วละ่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิด ควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชาเดช ะ, ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้างต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโล่งต้องปโปรง่งโล่งใจโปร่งใจ จนกระทั่งกลื่นไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนกับเราไม่มีตัวตนเหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเอง ถ้าตั้งใจทำเป็นทุกคนไม่เป็นจะเป็นไม่มีแล้วถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่าเสมอและกำมันสังเกตว่าเรามีสติสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนตองนั้นไปก่อน แล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละม่มมอยและมันก็จะขายายแล้วก็จะค่อยๆใส เหมือนใจมันตกตะกอนก็คล้ายๆกับเราเอาสารส้มไปแว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนกน้นเหลือน้ำที่ใสๆเราฝึกหยุดใจเหมือนกันตะกอนของใจก็ตกลงไปเหลือแต่ใจที่ใสๆแล้วเราก็รักษาสภาพนั้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่างและก็เห็นจดุดใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาให้เห็นซึ่งก็เราจะต้องระ ง, งับความตื่นเต้นให้ได้ เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้ถูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึกยินดีปรีดาไว้ให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไป ทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นก็นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทางเป็นทิวทัศน์มังตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เฉยเฉย เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จะกระทั่งถึงจุดจดหนึ่งมันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วุบไปเลยดวงปฐมะมรรคก็ล อ, อยเกิดขึ้นมาจึงตอนนี้แหละ เราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากเบิก บ, บานทีเดียวแหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขเนะ่มันมีมากกว่านั้นแต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไร คือมันจะสบายมากๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงก็ขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาปิมุตติมุตติญาตาสันะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นสว่างสวัย นำความบันเทิงใจเบิก์ปานใจเราเพิ่มขึ้นใจงเราก็จะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆ ใจก็สบายสบายเยไหลหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไปในใจที่เยือกเย็นไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบเงียบนะจ๊ะ